สวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสันสนีสนทนานะคะวันนี้ต้องบอกท่านฟังตั้งแต่ตอนต้นของรายการเลยว่าเรามีโอกาสพิเศษสำหรับท่านฟังที่ฟังรายการสัรสนีสนทนาจะชวนท่านเดินทางไปสังเวชนียสถานด้วยกันกับทางคณะผู้หลีกเร้นของวัดบาดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี ซึ่งดิฉันเองก็ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะนี้ด้วยแล้วก็ได้กราบเรียนขอท่านพิบูลนะคะว่าขอปันโอกาสให้กับท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังรายการนี้ mm. เผื่อว่าท่านประสงค์ที่จะเดินทางไปกับพระอาจารย์ซึ่งท่านพิบูลก็เป็นหัวหน้าคณะนําไปเองนะคะจะได้เป็นการที่เหมือนกับว่าเราก็ได้ทําในสิ่งที่ทําให้ท่านได้มีโอกาสใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ซึ่งท่านได้มี โอกาสแต่เพียงแค่สัมผัสในการฟังทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว fm 1น6รกายการสัมสนีสนทนาเท่านั้นถ้าสนใจก็ติดตามกันต่อไปนะคะการเดินทางจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่19มีนาคมและเนื่องจากว่าเพิ่งขอท่านมากระทันหันและเวลาในการที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้ตัดสินใจและแจ้งกลับมาคงจะมีเพียงแค่ใน1สัปดาห์เท่านั้นวันนี้ก็เลยจะเป็นวันที่ อยากจะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้กับท่านภบูรณ์โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้คิดจะไปก็น่าจะได้ประเด็นธรรมจากการที่สนทนาธรรมในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการท่านภัยบู์กันก่อนเลยค่ะน้ำมศการกคะท่านคะเจริญพรวันนี้เราก็เริ่มก่อนการฟังธรรมหรือว่าคุยในเรื่อง ใ, ใดๆก็มาปฏิปธรรมกันสักนิดนึงโดยให้ท่านทั้งหลายมาตั้งสติเอาไว้อยู่กับลมหยใจในการตั้งสติเอาไว้อยู่กับลมหยใจนั้นก็คือ อาณาปานสตินั่นเองเป็นหนึ่งในอนุสติ10อย่างแต่สตินั้นคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทําจํำคาที่พูดแล้วแม้หนานได้ในที่นี้แทนที่เราจะไประลึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็มาระลึกถึงลมหายใจลมหายใจนั้นมันออกมันเข้ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะาจุดไหนกันแน่ที่จะมาระลึกถึงลมหายใจนต่พระพุทธเจ้ า, าที่ท่านสอนเอาไว้ ก็คือให้มารลึกถึงบริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกของลมเรารับรู้ถึงสัมผัสของลมในโพรงจมูกนั้นได้ที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งขึ้นไว้ณที่ตำแหน่งนั้นการเจริญสตินั้นเป็นทั้งสมถะด้วยเป็นทั้งวิปัสสนาด้วยเป็นสมถะตรงที่ว่าเมื่อจิตของเรามาอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะทําให้จิตของเราไม่ไปเกลื่อกล้ว พุ่งไปหาสิ่งที่ชอบใจหรือนี้สิ่งที่ไม่ชอบใจลักษณะนี้จิตจะเป็นอรมณเดียวจะมีความนิ่งอยู่แต่บุคคลที่เจริญสัมมาสมาธิแล้วจะทำสมาสติให้เกิดขึ้นได้อันนี้พระพุทธเจ้ารับรองเอาไว้การเจริญสตินั้นก็เป็นการทําจิตให้เป็นอรมณเดียวเป็นสมถะด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นวิปัสสนาด้วยเพราะว่าเวลาที่เราเจริญสตินั้นอย่างที่ว่าว่าสติของเราจะรักษาจิต ไม่ให้เข้าไปเกลื้อกลัวในอารมณ์ต่างๆเวลาที่เราไม่ได้ไปยินดีพอใจในสิ่งที่น่ายินดีสสที่น่าพอใจเสียงที่น่าพอใจมากระทบเราไม่ได้ไปยินดีเกลื้อกลัวในสิ่งนั้นหรือว่าเสียงที่ไม่น่าพอใจเสียงด่าเสียงว่าเสียงที่มันไม่สวยงามมากระทบหูเราเราก็ไม่ได้ไปขยักขยงเกลียดจังเพราะว่าจิตที่มีสติอยู่เนี่ยสามารถที่จะทําให้เราเห็นสิ่งนั้น ตามเนื้อผ้าได้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเป็นลักษณะการไกรกรวนธรรมเป็นธรรมวิจัยเป็นการเห็นตามที่เป็นจริงสติที่เราตั้งไว้นี้จึงเป็นทั้งสมถตาด้วยเป็นทั้งวิปัสนาด้วยเวลาที่เราเจริญธร h a r อย่างนี้ไปเรื่อยๆความก้าวหน้าเป็นในทางธรรมจะมีสติเป็นอธิบดีพระบริจาบอกว่าในธรรมวินัยนี้สิ่งที่เป็นอธิบดีคือเป็นผู้นําตามสายงาน ให้สายทานแห่งธรรมะที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นไปตามลําดับตามลําดับสติเนี่ยจะเป็นตัวที่นําไปมันนามาตั้งแต่ตรงจุดที่เราปฏิบัติเรื่องของศีแลแต่เราจะรักษาศีลได้จิตกุลก็ต้องมีสตินํามาจากศีลเป็นไปเพื่อศีลที่เป็นสมาธิเราจะทำให้ยิ่งขึ้นไปมีการรู้ประมาณในการบริโภคมีการประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นมีการที่ขวนขวายน้อยมีกิจน้อย บริโภคน้อยอยู่เส น, นาสนะอันสงัดสติก็จะเป็นตัวที่นําจิตให้ไปปฏิบัติในเรื่องนั้นสติเป็นตทิบดีที่นํามาจากศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินําให้เกิดสมาธิเป็นโรแมันเดียวสติก็จะเป็นตัวที่นํามาจากสมาธิให้เกิดเป็นปัญญาเห็นตามที่เป็นจริงจะมีสติเนี่ยเป็นผู้ที่นําตามมาตามสายงานให้เรามีความก้าวหน้าไปในทางปฏิบัติเพราะว่าสตินี้เราสามารถที่จ ะ, จะเจริญได้อยู่ใน ตลอดทั้งวันนะไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราจะก่อนฟังธรรมแต่ในขณะที่ฟังธรรมด้วยไม่ใช่เฉพาะในเวลาที่เราหลับตาเท่านั้นแต่ในขณะที่เราลืมตาด้วยไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราอยู่เงียบๆเท่านั้นแต่ในเวลาที่เราพูดคุยเดินไปที่ไหนมา ไ, ไ, ไหนเราสามารถที่จะเจริญสติอยู่ได้ตลอดโดยใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือหรือเหมือนกับเตาเนี่ยนะเวลามันไปไหนมันก็เอากระดองกันมันไปด้วยเวลาตัวเราไปไหนเราก็เอาลมหายใจของเราไปด้วยอย่าให้หายใจทิ้งเฉย แต่ให้เราตั้งสติตั้งจิตของเร า, เาไว้อยู่ในลมหายใจสติกิจการลดเลิกได้นั้นจะเป็นเครื่องที่ชักนําจิตเราไปให้ถึงความหลุดพ้นได้นั่นเองเจริญปานสาธุค่ะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยยังไม่พร้อมขออีกหน่อยนึ ง, งฟังท่านพิบูลในช่วงท้ายจะรู้เลยนะคะว่าปฏิเสธว่าไม่พร้อมไม่ได้เพราะว่าเครื่องมือที่สําคัญในการที่จะเจริญสตินั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลากับท่านอยู่แล้วตราบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ คือมีลมหายใจถูกต้องถูกต้องนะคะหายใจอยู่เนี่ยไม่ต้องรอเวลาใดเลยสามารถเจริญสติได้ทุกเมื่อใช่ดังที่ได้กล่าวไปในตอนต้นของรายการไม่ทราบว่าท่านได้ยินหรือเปล่านะคะดิฉันก็ดีใจมากที่ท่านจะเปิดโอกาสให้กับผู้ฟังรายการนี้ได้ร่วมเดินทางไปกับการเดินทางไปยังสังเวชนียสถานกับคณะผู้ปฏิบัติตธรรมของวัดป่าดอนหายโศอุดรธานี ช่วงวันเสาร์ที่สิบสองถึงวันเสาร์ที่สิบเก้ามีนาคมรเรียกว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะ <8 000. S 1> จากเสาร์ถึงเสาร์เขาเรียกว่าแปดวันเจ็ดคืนทีนี้เนื่องจากท่านก็ให้โอกาสในการที่จะตอบรับภายในหนึ่งสัปดาห์ก็คือนับจากวันนี้คือวันศุกร์ใช่ไหมคะเดือนปอนที่สิบห้าเรื่อยไปจนถึงศุกร์ที่จะถึงถูกไหมคะก็เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สี่ก็ได้วันอาทิตย์ที่สิบสี่ตอบภายในวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่ เดี๋ยวจะค่อยๆพูดถึงรายละเอียดแล้วท่านก็คอยจดจ้องอที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ดิฉันก็เดาวใจบางท่านบอกว่าเดี๋ยวจะต้องละไปทำอย่างอื่นแล้วจดเบอร์ไว้ก่อนก็ได้นะคะก่อนฟังโปรแกรมเบอร์โทรศัพท์โทรตรงไปหาท่านพิบูรณ์ที่0875988690 0875988690 แล้วเดี๋ยวจะบอกอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ยังจดไม่ทันนะคะดิฉันจะต้องรบกวนให้ในฐานะที่ท่านจะนําคณะไปนะคะแล้วท่านก็มีประสบการณ์ในการเดินทางไปกันมาเป็นคณะใหญ่แบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยการที่จะไปที่นั่นไปกันอย่างไรไปแล้วได้อะไรอย่างนี้ถามก่อนนะคะค่ะเอาพูดถึงสังเวชเนสสถานนะคือคสถานที่ที่ ควรไปพบไปดูไปเห็นเพื่อให้เกิดความสังเวชแต่สําหรับผู้ที่มีความศรัทธานี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ในะบรารอบเหตุที่ท่านพระนนท์เนี่ยได้เคยเห็นภิกษุภิกษุณีบาโสปสิกาที่เขาต่างลังไล้มาพบเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เห็นบุคคลที่น่าจเจริญใจเหล่านั้นแล้วเจะทํำยังไงดีพระพุทธเจ้าก็เลยให้สถานที่ทั้งสีที่เนี่ยเป็นที่ที่ควรจะมาพบมาเห็น เพื่อให้เกิดความสังเวชของผู้ที่มีศรัทธาแต่ตรง น, นี้ตอนแรกๆอนมา่านพระสูตรนี้ก็โอเคไปแล้วคือมันก็ก็คงจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะโบราณสถานใช่ตอนแรกที่ไปครั้งแรกเลยเนี่ยนะก็ไม่ได้ไปคิดว่าจะไปแต่เพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยชวนไปชวนไปแล้วก็ไปแต่ไปตอนแรกก็ไปกลุ่มเล็กๆประมาณสัก 20-30 คนแต่ในครั้งแรกที่ไปนะคุณโยมติวของสาหรับตัวละมาเอง ในประสบการณ์โดยตรงเลยนะก็คือว่าสมาธิเนี่ยดีขึ้นสมาธิดีขึ้นเอ๊ะทำไมสมาธิถึงดีขึ้นเรามาใกล้กรวดพิจรารณาหาเหตุผลแล้วก็มีพุทธพจน์ซัพพอร์ตในตรงนี้ที่บอกว่าเออถ้าเผื่อว่าเรามีความอดทนนีพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงการเข้าสู่สมาสมาธิเนี่ยจะมีได้เกิดขึ้นได้ดีขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าบุคคลนั้นมีความอดทนต่อตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างนี้นะีการไป สถานที่ที่เป็นสังเวชเนียสถานเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่เป็นบ้านนอกของอินเดียเราพูดง่ายๆนะคือไม่ใช่เป็นเมืองหลวงมไม่ได้เป็นเมืองใหญ่เหมือนกรุงเทพหรือมุมไบหรือมุนดิลรีแต่ว่าเป็นเมืองที่เป็นบ้านนอกเพราะฉะนั้นก็จะมีภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการจราจรผู้คนอะไรต่างๆแต่เราไปาเนี่ยด้วยความศรัทธาตรงนี้แตนะ่พะเรามีศรัทธาแล้วเรามีการทําจริงแน่ๆจริงเนี่ยเราต้องอดทนต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ทําให้สมาธิเนี่ยมันดีขึ้น อันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยประสบการณ์ส่วนตัวค่ทะนะทีนี้ในการไปในครั้งต่อๆมาก็เกิดจากการที่ครั้งแรกนี่แหละมีสมาธิต่างๆที่ดีขึ้นเห็นได้ชัดได้เห็นหลักฐานต่างๆที่เป็นทางประวัติศาสตร์ที่มีความมั่นใจในทางคาสอนนี้มากขึ้นเดั ะ, ะนั้นก็เลยปรึกษากันกันกบทางหลวงพอ่ดอดรสาธิตตัวปาโซ ท, ที่เจ้าวาวัดป่าดอนไหสอกนี่แหละนะ อาจารย์คออาดามาเนี่ยท่านก็จะไปด้วยแลก็จะนำคณะญาติโยมไปโดยที่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่มาปฏิบัติธรรมทั้งที่ฟังรายการวิทยุแลก็จะชักชวนกันไปในการไปครั้งนี้ก็จะไปเดือนมีนาคมวันที่ 12-19 ้ 19, ต้องหมด8วัน7คืนด้วยกันค่ะถ้าไปแล้วร่วมกับคณะท่านเห็นโปรแกรมแล้วใช่ไหมค ะ, ะบา จ, จะมีโอกาส ไปที่ไหนอย่างไรไปทำอะไรกันเป็นหลักค่ในในการไปนี้ก็ที่แรกที่เราจะไปก็คือที่พุทธคยาแล้วก็จะขึ้นเครื่องบินตรงจากกรุงเทพไปลงที่พุทธคยาเลยแล้วก็จะอยู่ที่พุทธคยาสองคืนเราไปพุทธคยาที่ต้นมหาศีมาโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้วันถัดมาก็จะไปที่เมืองราชครืที่เขากิจกูดที่วัดเวรุวัน แวันนี้คือวันที่2องกลับมาก็จะมาพักที่พุทธคยาอีกในวันที่3มก็จะเดินทางไปที่เมืองกุสินาราเมืองกุสินาราสถานที่ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนี่ก็เป็นสถานที่ที่สองในสังวีเชนียสถานสี่ราชกระนี้จะไม่ใช่นะแต่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยอยู่เคยจำพรรษาอยู่แล้วก็ไปที่นั่นด้วยถ้าจากเมืองกุสินาราถัดไปก็จะไปที่ลุมพินี หนึ่งสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูตธ์หลัจากลุมพินีเราพักคืนหนึ่งถัดไปก็จะไปที่เมืองสาวัตถีแต่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าอยู่จำพรรษามากที่สุดสาวัตถีนี้จะไม่ใช่สังเวชนีสถานสีแต่ว่าเป็นเมืองที่เราควรจะต้องไปเพราะว่ามีพระศุทธ์ที่สําคัญสําคัญเกิดขึ้นที่นี่อยู่หลายหลายพระศุทธ์ทีเดียวแต่หลังจากที่สาวัตถีแล้วในวันถัดมาก็จะเดินทางมาที่เมืองพาราณสีนี่จะเป็นแหล่งสุดท้ายที่ เป็นสังเวชนียสถานสีในการไปของคณะของวัดปา่าดอนไนโศนี่ก็จะแตกต่างกับคณะอื่นๆสักนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราไปนี่เราจะเน้นไปในการที่จะนั่งสมาธิเราจะไปถึงที่นั่นดูสถานที่ตามประวัติศาสตร์ทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆแล้วนะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์สักนิดหน่อยแล้วเราก็จะมาฟังพระสูตรนั่งสมาธิกั น, นนะแต่วันนั้นตำแหน่งนี้ น, น, นี่คือพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้เคยกล่าวเอาไว้ที่นี่ที่นี่และมีเสียงท่าน เคยประกาศก้องบทเหล่านี้เหล่านี้เอาไว้เราก็จะมาฟังพระสูตรเหล่านั้นแต่ละแต่ละท่านที่ไปเนี่ยทุกท่านจะได้รับหนังสือะที่เป็นรวบรวมพระสูตรในแต่ละที่ละที่ที่ไปนั้นซึ่งพระสูตรนี้ก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีที่มาอะไรต่างๆสามารถที่จะอ้างอิงได้แทุกคนจะได้รับคู่มือพวกนี้รวมถึงแผ่นซีดีที่บันทึกเอาไว้นะเสียงอ่านพระสูตรพวกนี้ด้วยเจนิปานค่ะค่ะคุณค่ะก็ะเท่ากับว่า จะแตกต่างจากบางคณะดิฉันไม่เคยไปเริ่มต้นแล้วกลับที่พระนาศีนะคะฟังดูเหมือนกับว่าเราบินกลับจากพรณนาีถูกต้องถูกต้องก็คื อ, อบินลงที่พุทธคยาแล้วก็ขึ้นคเครื่องกลับกรุงเทพเนี่ยจากพระนาสีเลยค่ะก็เป็นกําหนดการที่ท่านก็จะได้เห็นน ะ, นะคะว่าไปที่ไหนบ้างแต่ว่า เหนือสิ่งอื่นใดที่แปลกแตกต่างจากการเดินทางที่ดิฉันมีประสบการณ์ก็ตรงที่จะมีการไปสาธยายพระสูตรซึ่งพระพุทธองได้ตรัสเอาไว้ใช่ไหมคะว่าณที่ต่างๆนั้นได้ได้มีอะไรบ้างใช่อาจจะเป็นเรื่องของธรรมใช่หรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ในที่นั้นไหมคะถูกต้องถูกต้องนี่คือจะรวบรวมมาจากในประเทศบิดดกนะอาตมานี่เป็นคนรวบรวมที่ส่งเล่าเองใช่ใช่เป็นผู้โพสต์ที่ตรัสเอาไว้ หรือว่าที่นี่มีเหตุการณ์นี้กับ น, นี้เกิดขึ้นมีการบัญญัติวินัยหมวดนี้หมวดนี้ก็จะนํามาไลน์ฝั่งที่นี้เวลามันก็คงจะมีจํากัดในที่ว่าจะได้นั่งสมาธิกันรจริงๆก็จะมีสักประมาณชั่วโมงหนึ่งในชั่วโมงหนึ่งก็จะเผื่อไว้ให้ดูนั่นนี้นอนบ้างแล้วส่วนพระสูตรที่เหลือลก็ให้ไปศึกษาเองตามคู่มืออันนี้ก็จะมีคู่มือให้เพิ่มเติมค่ะเท่ากับว่าถ้าจะสรุปนะคะก็คือเป็นคณะที่ จะเดินทางไปเยือนสังเวชนียสถานและสถานที่สำคัญในครั้งพุทธกาลเมื่อ ย, อยางทรงดำรงพระชนชีพอยู่เพื่อที่จะได้ไประลึกถึงว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างณที่นั้นๆพร้อมกับเน้นการนั่งถวายนั่งสมาธิเพื่อเป็นกุศลของตัวเองแล้วก็ถวายเป็นการปฏิบัติบูบชาต่อ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมของพระองค์แล้วก็พระสุปฏิปันโนณที่นั้นร่วมกันเป็นหลักใช่ใค่ะ ถ, ถ้าท่านฟังท่านใดสนใจนะครับเพราะว่าตอนแรกในดะิฉันไม่นํามาพูดในรายการเลยทั้งที่ตัวเองก็ตกลงที่จะเดินทางร่วมคณะไปกับท่านเทบูลเพราะคิดว่าก็คงจะไม่มีโอกาสสําหรับผู้ที่ฟังรายการแล้วพูดไปเดี๋ยวท่านไม่ได้ไปแล้วดิฉันก็จะรู้สึกผิดนะคะทีนี้วันนี้ท่านก็บอกว่าโอกาสเปิด อ, อนุญาตให้ มาแจ้งได้เพียงแต่ว่าขอทราบคำตอบภายในเวลาอันจำกัดก็คือภายในวันที่24มกราคมที่จะถึงนี้มีเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเท่ยบอนเจีบนแต่ว่าไปาก็จดเบอร์โทรศัพท์กันม่อีกทีค่ะ0 8 7ย์8 8ดเจดห้า้าแปดแปดหดิฉันขออนุ ญ, ญาตพูดถึงจำนวนเงินเลยได้ไหมคะได้ไค่าเดินทางเนี่ยส0 0 0บาทถูกไหมคะ อันนี้นะะก็จะรวมทั้งค่าเครื่องบินค่าพักที่โรงแรมพักที่วัดอาหารต่างๆก็จะรวมอยู่ในนี้หมดค่าเข้าค่าอะไรต่างๆรวมอยู่ในนี้หมดรวมถึงค่าทําวีซ่าอะไรต่างๆด้วยค่ะพักที่โรงแรมและพักที่วัดนะคะใช่เท่ากับว่าพักโรงแรมกี่คืนพักที่วัดกี่คืนคะอพักโรงแรมรู้สึกจะห้าคืนเอาสี่คืนสี่คืนแล้วก็พักวัดสี่คืนพักวัดสามคืนค่ะแต่ว่าวัด จะพักลักษณะยังไงคะนอนรวมๆกันหรือว่าเป็นห้องหับเออเป็นห้องหับที่จะสองคนบ้างสามคนบ้างที่วัดแล้วก็จะจัดไป เ, เป็นเป็นสองหรือสก็ถือได้ว่าสะดวกพอสมควรทีเดียวใช่ไหมคะใช่ใช่ก็เหมือนกับเรามาปฏิบัติธรรมที่วัดีเหมือนกับที่วัดปัดอาให้โศกเนี่ยก็จะแยกเป็นห้องละคนลคนใช่ไหมทีว่าเราเราไปเนี่ยอาจจะอยู่ห้องละสองคนสามคนรประมาณนี้ค่ะนะคะรีบหน่อย ก, ะะก็แล้วกันเพราะว่าเป็นโอกาสพิเศษแล้ว ดิฉันเองก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสไปเจอๆกันบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ทราบว่าใครเป็นผู้ที่ฟังรายการส่วนท่านที่ไม่ได้ไปเดี๋ยวก็จะเอากลับมาเล่าให้ฟังนะคะว่าประสบการณ์ในการเดินทางนั้นเป็นอย่างไรแต่ที่ฉันเคยสอบถามคนที่ร่วมคณะไปกับท่านไพบูลนะคะเขาก็ประทับใจนะคะบอกโอ้โหซับซึ่งมากในการที่ไปสาธยายพระสูตรเสมือนกับว่าเราเนี่ยกําลังเฝ้าอยู่เฉพาะพระภักของพระพุทธเจ้านะอืมใช่เพราะว่าได้ฟังในสิ่งที่ท่านตรัสบาใช่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่า อาจำได้ว่ามีพุทธพจน์บทที่ว่าทำวินัยของท่านเนี่ยจะเป็นศาสดาของผู้เธอทั้งหลายและที่ไปสาธยายกันก็จะเป็นธรรมถูกต้องคือวินความความรู้สึกมันจะแตกต่างกันได้หนึ่งอย่างมชติว่าถ้าเราอยู่สราที่วัดหรือว่าที่ที่บ้านของเราเนี่ยเราคุณก็ฟังพระสูตเรื่องราวของการตรัสรู้หรือว่าเรื่องราวพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเล่าเนี่ยกับกับที่เราไปอยู่ณที่ตรงนั้นนี่คือดินที่พระพุทธเจ้าเคยเหยียบนี่คืออากาศที่พระพุทธเจ้าเคยหายใจ ทานเคยเดินบินบาดตรงนี้คือภาษามันจะจะเป็นกลุบแบบกันเดี๋ยวเราได้ฟังเรื่องราวเดิมนี่แหละแต่ว่าพรรษะอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้มีความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งอะนะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่บางทีก็บอกได้ยากแต่ว่ามันดีมากๆก็ถ้าได้มาังมีโอกาสเนี่ย <c oughs> ก็อยากจะให้ไปด้วยกันดิฉันเคยอ่าถาม <c oughs> เพราะว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ชอบเดินทางกับคนจํานวนมากอก็พูดกับคนที่เขาเคยไปบอกว่า ที่มีประสบการณ์ผ่านมาก็คือแม้คนมากแต่คนปฏิบัติเนี่ยจะไม่ดูวุ่นวายหรือว่าจะไม่อึกทึกเลยใช่ทุกคนจะเรียบร้อยมากกว่าปกติใช่ ท, ทุกคนก็จะจะฟังกันะจะเคารพในครูอาจารย์คือหลวงพ่อเนี่ยท่านก็จะไปด้วยในปีนี้แต่ถ้ามัน ม, มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงยังไงเอ้าเราจำเป็นต้องตัดสินใจซ้ายทุกคนก็ซ้ายหมดขวาก็ทุกคนก็ขวาหมด ่ไม่ได้มีใครที่จะแบบมาบอยไว้หรือว่าอะไรทุกคนก็สามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันแมีความเอื้อเฟือเ้อเคารพคุณกันทริปเราก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะสําหรับคนที่เคยไปแล้วก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนอกจากว่าในส่วนความแตกต่างของการที่ไปสาธยายประสูตรเนี่ยดิฉันเห็นอย่างชัดเจนครั้งที่แล้วเคยร่วมเดินทางไปกับคณะผู้อบรมหลักสูตรระดับสูงหลักสูตรหนึ่งด้วยกันนะคะดิฉันก็พยายามที่ จะนำเอาพุทธพจน์ในบทที่ตรัสถึงสถานที่ต่างๆครั้งยังประชาชนที่ไปอ่านเนี่ยแต่ว่าก็ดูเหมือนกับว่าทั้งคณะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะเล mm ี hmm. ย้ยก็ใช้วิธีที่ว่าตัวเองเก็นั่งอ่านเฉยๆอ่านได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าครั้งเนี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่พิเศษแตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆมาซึ่งเลียงเองเป็นคนที่ชอบ ในส่วนของพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรับเล่าเรื่องของท่านเองเพราะว่ามีหลายส่วนเลยนะคะเราเคเข้าใจายอย่างหนึง่งจากแบบเรียนหรือว่าจากหนังสืออื่นๆที่ผ่านมาแต่ว่าท่านตรัสเล่าเอ า, เอาไว้เนี่ยมไม่เหมือนนะคะก็ลองไปเซฟกันดูก็แล้วกันกับการเดินทางที่พระเบบู์พูดถึงว่าทำให้สมาธิดีขึ้นเพราะว่าตรงกับพุทธพจน์ที่ว่า มีความอดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเป็นปัจจัยทำให้ปฏิบัติดีขึ้นนะคะอะุอุๆไว้หน่อยสำหรับคนไม่เคยไปนี่ม็น่าตื่นตาตื่นใจอะ่ะถามตัวเองนะคะถึงแม้ว่าจะลำบากแค่ไหนเป็นการเดินทางที่มีสีสันและน่าศึกษามากมสำหรับในโลกปัจจุบันที่เราได้มีโอกาสไปเห็นบรรยากาศแบบนั้นที่แตกต่างจากบ้านเรามากๆเลยใช่ สิ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่มีศรัทธาเดินทางไปเนี่ยก็คือเกิดความสังเวชหนึ่งคุณจะเกิดความสังเวชสองคุณจะเกิดความเลื่อมใสในเลื่อมใสในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าท่านจะต้องมาตรัสรู้ที่นี่เพราะว่ามีปัญหาที่สําหรับสัมมาสัมพุทธะจะมาแก้ได้เท่านั้นในที่นั้นเนี่ยคที่อินเดียเนี่ยก็จะมีทิฏฐิอยู่หลายอย่างทิฏฐิความเชื่อนักบวชแบบนั้นแบบนี้ซึ่ง เป็นความสามารถที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นที่จะมาแก้มาปรับทิฐิเหล่านี้ได้นะคือถ้าถ้าเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจามาอุบัติขึ้นที่เมืองไทยอย่างนี้ไม่ต้นนะอ <Okay. S 1> คนไทยนี่เป็นคนที่บอกง่ายอยู่แล้วเชื่อฟังกันดีบอกปุ๊บทุกคนก็โอเคบรรลุหมดเลยใช่ไหม ก, ก็ง่าย <Okay. S 1> แต่ปัญหาบางครีก็คือว่าคนเราบอกเขาไม่เชื่อทิฐิแบบที่แบบหัวปักหัวปำเป็นทิฏฐิสุดโตรงข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาที่พระพุทธเจาจะต้องไปแก้ที่นั้นเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ เราจะมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะท่านคะสําหรับพูดถึงเรื่องทั่วไปนะคะในการเตรียมตัวเดินทางเนี่ยมีไหมคะที่จะแนะนำว่าอ๋อถ้าคุณเป็นแบบนี้แล้วอย่าไปเลยมันลาบากหรือว่าถ้าไปแล้วขอให้รู้ว่าจะต้องทําตัวอย่างไรแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างไรกินอยูอ่อย่างไรคะ่ะใชใ่ในทริปนี้เราก็จะจะเน้นเรื่องของการปฏิบัติเนเพราะว่าฟีดแบ็จากคราวก่อนๆที่ผ่านมาก็คือว่า เออจริงๆเรื่องอาหารเย็นเนี่ยแทบจะไม่ได้จําเป็นเลยคือคือกินเนี่ยเพราะว่าโรงแรมเขาจัดให้แต่ถ้า <Okay. S 1> หิวไหมถามจริงก็ไม่ได้หิวนั้นหลายๆคนคือเกือบร้อที่พูดว่าไม่ได้หิวคือไม่จําเป็นต้องกินก็ได้เพราะว่าอิ่มใจจากการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแต่เพราะฉะนั้นคราวนี้เราก็เลยให้รักษาศีลแปดนคือส่วนใหญ่จะให้รักษาศีล8ปดแต่สำหรับบงคลจะมีข้อยกเว้นก็อันนี้ก็แล้วแต่กรณีไปแต่แต่ว่าจะให้เป็นรักษาศีล8มีการปฏิบัติธรรมนะแล้ยัให้อย่างเต็มที่ แต่ว่าก็จะมีจัดเรื่องของอปลาเนะนานาแนมปานะหรือว่าอะไรที่มันบริโภคเป็นยาได้ในตอนบ่ายหลังเที่ยงเนี่ยก็จะมีจัดไม่ให้โดยคณะของเราแต่พูดง่ายๆคือไม่ต้องกลัวหิวแต่ว่ารักษาสิน้นแปนะแต่ไม่ต้องกลัวหิวนี่คื อ, ป, อประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือก็ต้องมีสุขภาพที่สามารถเดินเองได้เพราะว่าในบางโลเคชันเนี่ยมันต้องเดินเข้าไปและเดินเข้าไป แต่ก็ไม่ได้ไกลหรอกนะแต่ก็พอเดินต้องเดินได้คือถ้าจะต้องเข็นรถเข็นเนี่ย ก, ก็จะยากนิดหนึ่งก็จะยากนิดหนึ่งแต่แต่ถ้ามีคนเข็นมาด้วยนะก็ก็มาได้เหมือนกันแล้วก็มีบางท่านที่เขาไปอย่างนั้นก็มีแล้วในข้อที่สามเนื่องจากว่าทริปเนี่ยจะเป็นลักษณะการประพฤติพรหมจรรย์ในการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือหมายความว่าเรารักษาศีลแปด เพราะฉะนั้นถ้าแต่งเครื่องแบบของผู้ประพฤติพรหมจรรย์สักหน่อยก็น่าจะดีอันนี้คือชุดขาวนะคือพระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายถึงอุบาสุบาสิกาที่นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ได้โกนผมใช่ไหมก็อย่างน้อยมีมีเครื่องแบบที่บ่งบอกถึงความประพฤติพรหมจรรย์ของเราก็คือชุดขาวอันนี้กันในข้อที่สามอาจารยอนค่ะเดินขออนุญาตถามแทรกข้อสามนิดนะคะในกรณีที่บางคนเนี่ย ชุดปฏิบัติธรรมของเขานุ่งผ้าถุงดําใส่เสื้อขาวออืไหวไหมคะพอได้ายไหมคะได้ได้ได้ได้เหมือนกันเอ่อแล้วก็ต้องเรื่องอากาศนิดนึง่งในช่วงนั้นตอนเช้าเช้าก็ยังจะเย็นอยู่เจะมีอากาศเย็นอยู่ในตอนเ ช, าชา้าเช้าแต่ตอนกลางวันก็จะคล้ายๆกับบ้านเราอุณหภูมิสักยี่สิบกว่าเกือบสามสิบแต่ตอนกลางวันตอนเช้าเช้าก็อาจจะต่ากว่ายี่สิบมีอยู่อ๋อค่ะคือหมายถว่าเสื้อกันหนาวบางๆเนี่ยคนมีติดไป ใช่ถุงเท้าควรจะมีภ้าคลุ่มพวกนี้อืค่ะนะคะถุงเท้ารองเท้าพวกนี้ทัวร์เขาจะเป็นคนบอกท่านท่านมีคณะที่มีเอกสารที่บอกให้ไหมครับเผื่อว่าใครจะไปมีปมีมีเนะี่ยหลังจากที่แบบว่าลงชื่อมาแล้วแล้ว ก, ก็จะส่งเอกสารพวกเนี้ยเป็นการเตรียมตัวให้ต้องเตรียมอะไรไปบ้างอะไรที่ควรงดเว้นข้อปฏิบัติต่างๆอันนี้จะมีมีข้อมูลบอกแล้วนอกจาก<ม>อเอกสารที่เป็น เป็นหนังสือประสูตรใช่ไหมที่ว่าในแต่ละโลเคชันมีประสูตรพระสูตระตอะไรเนี่ยเราก็จะมีจุลสารแตที่บอกถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในะเพราะว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่นี่นะเป็นมายังไงปีพศออไหนเขาค้นพบนะหรือว่าข้อปฏิบัติตัวต่างๆในเกี่ยวกับการกินอยู่ต้องระวังอะไรต้องใชา้จ่ายยังไงอัตราลแลกเปลี่ยนเงินเตรียมไปเท่าไหร่พวกนี้เราจะมีข้อมูลเป็นจุลสารให้อีกฉบับหนึ่งค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นการเดินทางร่วมกันไปกับทาง บริษัททัวร์เหมือนทัวร์ต่างประเทศอื่นๆทั่วๆไปเรามีข้อมูลพวกนี้ให้จริงๆคราวนี้คือวัดของเราเนี่ยจัดเองคื อ, อ ค, คือวัดเนี่ยจัดเองแล้วก็โดยหลวงพ่อเนี่ยท่านนําไปอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ไปเห็นได้ไปเจอแล้วก็ก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยแหละช่วยกันทําส่วนนั้นส่วนนี้นช่วยงานกันเป็นเป็นงานของวัดนั่นเองอ๋อค่ะนะคะก็สนใจที่จะร่วมเดินทางไปกับการเดินทาง ไปสังเวชนียสถานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสี่สังเวทั้งที่อินเดียและที่เนปาลเป็นเวลาแปดวันเจ็ดคืนนะคะก็ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้าแปดแปดหกศูย์ปดเจ็ดห้าเก้าแปดแปดหขอความกรุณาให้ แจ้งภายในวันที่24ี่มกราคม 2,559 ้าห้าาค่ะขอความกรุณานะคะจากการที่ท่านได้มีโอกาสเดินทางไปที่สังเวชนิยสถานมามากกว่าหนึ่งครั้งแล้วเนท่านประทับใจอยากจะมาถ่ายทอดในแง่มุมใดมากที่สุดกับท่านผู้ฟังคะอันดับแรกก็คือว่าความเป็นอยู่ของของคนอินเดีย แต่ที่ที่เราไปเห็นเลยเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยว่าโอ้เรื่องราวในพระสูตรแต่ที่อ่านอ่านกันมาเนี่ยที่อาตมาเองอ่านมาพระสูตรนั้นพระสูตรนี้เรื่องราวในธรรมบทบ้างเรื่องราวในพระสูตรบ้างเนี่ยแล้วบางทีบางจุดก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเรื่องราวเป็นอย่างนี้แต่แต่ว่าพอมีโอกาสได้ไปเห็นเนีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอินเดียได้ไปเห็นภูมิประเทศได้ไปเห็นอากาศต่างต่าเนี่ยทำให้มีความเข้าใจในบริบท ของพระสูตรต่างๆมีความเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมเขาต้องไปนั่งก่อนทําไมเขาจะต้องพูดอย่างนี้มันจะมีความเข้าใจในในคอนเทกซ์ในการดําเนินเรื่องของพระสูตรต่างๆนี่มีความลึกซึ้งมากขึ้นอันนี้คือข้อ <c oughs> ที่1นี่ประสบการณ์ส่วนตัวของเรานะันคือในข้อที่1ในข้อที่2เราจะพบเรื่องราวในหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับในพระสูตในพระสูตรที่บอกถึงโลเคชันต่างๆอย่างเช่นว่า ไปที่มงวัยสาลีเนี่ยท่านพระนนนะ์เดินมาทางนี้บินทบาทกลับมาอย่างเงี้ยท่านบอกว่าอธิบายไวในพระสูตรว่าเห็นพวกชาวลิชวีเนี่ยกษัตริย์ชาวลิชวีเนี่ยเขายิงซ้อมยิงลูกดอกลูกศรนะจากที่ไกลลอกลอดช่องดานได้เอตมาก็มีความคิดว่า ก, ก, ก็ท่านเดินมาก็ต้องมองต่ ำ, ตำๆใช่ไหมไอ้ทำไมไปเห็นไดน้ก็มันมีโลเคชั่นนึงเป็นสวนที่ เขาในทางบริษัทเขาคนพบว่าเป็นที่ที่ผู้กษัตริย์ิชีวีเีจะมาฝึกซ้อมยิงธนูในตรงตำแหน่งนั้นเนี่ยจากหมู่บ้านเดินมามันเป็นทางลาดลงมาในทางลาดลงมาก็จะทําให้เดินไปงานมาไงก็ต้องเห็นอะ่ะเพราะมันเป็นทางลาดลงมาแล้วหมาก็ถึงบางอ้อเลยว่าโอ้ใช่ใช่ถ้าท่านเดินมาตรงนี้ต้องเห็นแน่นอนแต่เพราะว่ามันเป็นโลเคชันตรงนั้นหมาอันนี้ก็จะให้มีความสอดคล้องในเรื่องประวัติที่ที่ได้เคยอ่านมาด้วยนะ นี้คือประโยชน์ที่จากการไปแล้วในในข้อที่3อย่างที่พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ความรู้สึกที่เราไปเหยียบดินที่ว่าพระชุทธเาเคยเดินตรงนี้ท่านเคยนั่งตรงนี้ท่านเคยไปนั่งตำแหน่งนั้นแล้วเราไปโดนดินแถวนั้นเนี่ยเราไปได้หายใจในอากาศแถวนั้นเนี่ยแม้จะมันมีความทราบสิ่งมากแต่ว่าอันี้คือที่บิดาในทางวิวัติของเราท่านนั่งตรงนี้นะ ท่านเคยไปบินตบัดเส้นทางนี้นะท่านเคยเดินเหยียบดินตรงนี้นะแม่เอายิบผงดินนี่มาโรยใส่หัวแล้วยังมีความทราบสึงว่าแม่มันดีมาค่ะก็ถ้าใครไม่เคยไปแล้วมีกำลังนะคะยันว่าการได้ไปเยือนสักครั้งหนึ่งก็ดีและสังเกตว่าถ้าคนมีกำลังเนี่ยพอไปแล้วก็จะหาโอกาสหาจังหวะในการที่จะได้ไปอีก อย่าฉันเองนี่ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกนะคะว่าจะตัดสินใจเดินทางไปแต่พอมานั่งคิดๆ ด, ดูแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะจะได้ไปฟังพระสูตรด้วยแล้วก็ทราบมาว่าจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติใช่ก็จะได้เป็นโอกาสที่ไปปฏิบัติจะพยายามทําให้มากกว่าครั้งอื่นๆที่เคยไปเพราะว่าก็มีการปฏิบัติเหมือนกันนะคะสำหรับ<ม>ครั้ง<ม>อื่นๆเพียงแต่ว่าอาจจะเราไม่ได้ตั้งใจ ไปเพื่อการปฏิบัติโดยแท้ก็เลยอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่เนี่ยค่ะท่านฝังค่ะทั้งหมดนี้ดิฉันก็ขอที่จะสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเรากําลังอบอกท่านนะคะว่าท่านพปบูลเปิดโอกาสให้มาเชิญชวนทางผู้ฟังรายการสรสนีสนทนาที่มีดิฉันสันสนีษานพงศ์ดำเนินรายการอยู่กับท่านพปบูลเนี่ยนะคะให้ร่วมคณะ เดินทางไปสังเวชนียสถานทั้ง4สังเวระหว่างวันที่12ถึงวันที่19มีนาคมท่านใดสนใจก็เรียนเชิญติดต่อรายละเอียดไปที่ท่านไพบูลนะคะ0875988690 0875988690ภายในวันที่24มกราคมนี้หมดเวลาพอดีเลยคะ่ะท่านไพบูลคะเต็มาน นะคะก็ท่านคงจะต้องคอยรับโทรศัพท์และละกราบนำ้ำมศการขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเท่า น, นฟังที่ครบค่ะเนื่องจากเป็นโปรแกรมพิเศษที่มีระยะเวลาสั้นนี้ก็จะอาศัยเวลาเต็มที่เลยเอาไว้มาฟังธรรมะกันใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนที่ฉันนั้นจะพบกับท่านวันพระหัสสบดีและวันศุกร์ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวแห่งนี้วันนี้พุธสวัสดีค่ะ